พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองมีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าถามตัวเองว่าดีพอหรื อ, อยังวันนี้เป็นวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2560ั เดือนนี้เป็นเดือนที่พวกเราจะได้ไปทําบุญนอะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาการของคุณแม่ชีแก้ว้าจวาเป็นงานของเราไหมก็เกือบร้อยเปอร์เซให้เราให้ความสำคัญพราะเราไปสร้างพระเจดีย์ แล้วก็ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ให้ไปมาหาสู่คุณแม่จากนั้นเราก็ได้จัดงานศพศรีระสังขารของท่านสมัยก่อนท่านก็หลวงตามหาบัวหลวงปู่สิงทองเมื่อหลวงปู่ ลงุงปูส่สิงทองยังอยู่ท่านก็บอกเอเอลูกก็ดูแลเวลาแม่ตายเบิองดูแลงานศพจัดงานศพแม่เนอหลวงปูส่สิงทองเออบ่อยากรอกตายแลวเห็ดยังได้ก็ะไรบ่ยากหลับ ท่านให้พ่อต่อมาลงปีสองสามหลวงปูจ่จิงทองก็เครื่องบินตกท่านกลมมรณะภาพไปเถอเ่คุณแม่ท่านก็เลยบอกมาเห็นหลวงพ่อท่านก็บอกเออกูบายเบิ่งช่วยดูอแอแงานจบของแม่ได้เออคุณแ ม, ม่เป็นไรหรอทักผู้ข่าไม่ตายผู้ข่าจะดูแล ให้ดีที่สดุดเพราะนั้นขนาดจากนั้นมาหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปดูแลคุณหมอเพนสีท่านก็อยู่ที่นั่นคุณหมอเพนสีก็เหมือนกับผิดสาวใหญ่ลักษณะอย่างนั้นอ่ะดูแลแม่หลวงพ่อก็เข้าไปเหมือนกับน้องๆมีอะไรจะให้การสนับส น, นุนท่านก็นมาอยู่ทั้งสิบกว่าปี ลงพ่อก็ได้เขาไปดูแลคุณแม่ผลที่สุดทั้งก็ได้มาณาภาพแล้วก็จัดงานสาละสังฐานของท่านจากนั้นเมื่อท่านจากไปได้สิปีนะสิปีเรายังค่อยได้สร้างเจดีย์เจดีย์คุณแม่พอสร้างเจดีย์ก็ไม่กี่ปีปีสองปีก็จบจากนั้นก็องหลวงตามหาบัวเป็นผู้ไปเปิด ใจดีของคุณแม่เราก็จัดงานขึ้นมาก็หาทุนเพื่อซื้อทองคําเข้าคลังหลวงก็ได้จะตุปัจจัยมากอยู่จากนั้นกั น, นการสร้างพระเจดีย์ของคุณแม่สรุปแล้วโวหมดไปไปมากนะหมดยี่สิบกว่าล้านเกือบสามสิบล้านที่เราไปสร้างที่นั่นนี่แหละจางนั้นมาเราก็จัดงานทุกปี อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาตามที่จริงท่านมรณะภาพบนที่สิบแปดสิบเก้ามิถุนานะแต่นี้มันเป็นจวนจะเข้ามันใกล้เข้าภรรษาและอีกส่วนหนึ่งมันก็ชาวบ้านแถบนั้นหน้าเดือนมิถุนานยตั้งแต่พุทภาเน่ยถ้าฝนตกมาเราก็ปักเราก็หวานก้ากันแล้วไถานากันแล้วเพราะนั้นเราจะไปทำจัดการจัดงานในจุด ข่าวนั้นมันก็เป็นการลบกวนชาวบ้านเขาเราเลยล่นออกลงออกมาไม่เป็นไรหรอกออปีหนึ่งเราควรจะทาลําลึกถึงคุณแม่พระคุณของคุณแม่ปีละครั้งเราก็เลยกำหนดกันเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกทุกปีนาทำมาหลายปีแล้วปีนี้ก่อนเนี่ยถึงเดือนมีนาหลวงพ่อก็ได้ประกาศให้กับคณะสหายญาติโยม ที่รักเคารพในคุณแม่หรือผู้ที่จะไปร่วมงานทำบุญลํำลึกถึงคุณแม่ก็ได้นะลุงพ่อจะได้ปอกกลวให้กับปวกลูกหลานทุกคนนะแล้วก็เมื่อวานตอนเที่ยงลุงพ่อออกไปทำธุระแล้วก็เลยไปตอกไปดูเขาตอกเสาเข็มที่วัดปาบ้านตาด พอไปเห็นนะโอเ้เขาก็ตอกได้มากอยู่นะคงสองร้อยกว่าต้นละมั่งแถวเป็นพืชไปเลยโพก็มีตําก็มีเหมือนกับพื้นดินเนี่ยมันมีสูกมีต่ำพื้นข้างล่างก็คงจะมีหินมีอะไรเออข้างล่างพอตอกลงไปไปเจอหินะมันก็อยู่นะถ้าต้นไหนมันอยู่ในระหว่างไม่เจอหินหมันก็มิดเนี่ย ต้นเม็ดมีอยู่แต่ไม่มากโดยมากโพจะมากกว่านะเนี่ยไปรูเมื่อวานะจากนั้นก็ทางวัดหนดโยทานี่มนจะให้ไปแสดงธรรมหลวงพ่อก็รับแต่พอเข้าไปทุ่มหนึ่งเข้าไปท่านกำลังเริ่มตั้งน้โมสวดมนแล้วก็โอ้ไม่ได้แล้วถ้าเราไปทุ่มหนึ่งแล้ว กว่าจะสวดมนต์เสร็จก็สองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มจะให้เเราแสดงธรรมจะให้เราเทศอีกเรากลับมาถึงวัดก็สี่ห้าทุ่มไม่ไหวะเราก็ได้เออเอาบอกครับนั่นแนหะให้ช่วยกันดูนะวะหลวงพ่อไม่ไม่ไม่รอไม่อยู่แล้วนะหลวงพ่อไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มนะจะไปหาอยู่ตั้งดึกดืนเที่ยงคืนได้ยังไง หลวงพ่อก็เลยประมาณเกือบทุ่มกว่าหลวงพ่อก็เลยออกมาเมื่อวานมาขนาดมาถึงที่นี่เกือสามทุ่มกว่ามาถึงวัดนี่แหละภาระทุละของหลวงพ่อนะสตา ญ, ญาติจุ่มไม่ใช่บอกผู้ใดจะเอาไปแล้วก็ให้เป็นนั่งคอยก็ไม่ได้เวลาก็ต้องเวลานัดทุ่มหนึ่งก็ต้องเป็นทุ่มหนึ่ง อันนี้ถ้าว่านัดทุ่มหนึ่งปเทศอยู่สามทุ่มไหวแล้วหลวงพ่อก็ตายเลยสิหลวงพ่อไม่ใช่พ้าน้อยผานุ่มนะอายุ ป, ปู น, นี่แล้วแต่จะรับทุระรับไปแสดงธรรมรือับไปที่ไหนหลวงพ่อไม่ได้ใช่ไปด้วยความสนุกนะคิดแล้วคิดอีกเสร็จแล้วก็ต้องดูตรวจตราดูถัดถาดแขนของตนเองอีกต่างหากไหวไหมเนี่ย ทำไม่ไหวบางคนก็บอกอทาไมหลงพ่อเนี่ยงานคนอื่นไปงานคนอื่นแต่งานเราไม่มาท่านไม่ให้สักให้สีเราอันนั้นเปนว่าคิดแบบโง่โงถ้าคิดแบบฉลาดใครว่าร่างกายมันปกติเมื่อไหรให้สังเกตดูตัวเองสิบางทีก็ขี่แตกขี่ไหลก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเป็นไข้เป็นหนาวก็มีใครจะไปรู้ยิ่งกว่าตัวของ ตัวแต่ละคนเองเอท่านรู้แก่ใจามาโอไม่ไหวข่าวเนี่ยทาจะไปไปอยู่แต่ไปนะกลับมาต้องเอไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอนะเพอๆจะไปเป็นลมล้มพุบล้มฟาบกับงานของเขาอีกเสียหน้านะขายหน้าเจ้าของงานเขานะเอสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวผู้จะไปอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกนะ จะไปที่ไหนไม่ใช่เอไปแบบอยากจะไปก็ไปทั้งที่มันจะเป็นลมแผ่นดินไหวอยู่แผ่นดินเวียงเวียนศีสันแผ่นดินพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ก็ยังอยากจะไปอยู่มันไม่ใช่ละหลวงพ่อจะไม่ไปหลวงพ่อยังคิดอยู่ว่าเออเราเจ็ดอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเราน่าจะงดงดกิจนิมนต์ทั้งปวงน่าจะอยู่วัดนา้นาหนะ้อาอยังทะเลถลายมาอีกอยู่ อันนี้เจ็ดสิบสองก็ยังยังไปอยู่นี่แหละจะมันจะไปเบรกจริงๆมันจะเบรกจุดไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานแต่ยังคิดว่าเจดสบสามปีนั้นเข้าเป็ดปีเจ็ดบสามันน่าจะหยุดเลยนะ่านะตุวกพ่อก็คิดอย่างนั้นนะนี่แหละเมื่อวานก็ไปดูเจดีอ JD ของลงตาก็ขึ้นแล้วล่ะก็สบายใจในระดับหนึ่ง จนกว่าได้พูดรับเหมอนั่นแหละท่านท้าบได้ได้พูดรับเหม า, า, ห ม, ามาแล้วก็นหลวงพ่อก็คงจะอ๋อให้เขาดําเนินการต่อไปอถ้าจะว่าไปหลวงพ่อก็อยู่ภายนอกแล้วท่านต้องการอะไรหลวงพ่อก็จะสนับส น, นุนอให้ความช่วยเหลือในการที่สนับส น, นุนอถ้าเขาไม่ต้องการสนับส น, นุนก็หลวงพ่อกันะอยู่ยืนอยู่ข้างนอก่ะเดินรอบรอบดูข้างนอกะ อนุโมทนาสาธุในการกระทาในการก่อสร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาถ้ามันจะตกปัจจัย จ, จุดไหนขาดเหลือขาดตกบกพร่องฐานเรียกร้องมาเออเอาเข้าไปช่วยถ้ามันมีบริบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมีแต่เอามือไขายหลังยืนอยู่ข้างนอกดูเที่ยมันเจดีของหลวงตาจะออกมาลักษณะอย่างไง ดียังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายในหลวลงพ่อกลักษณะอย่างนั้นศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็ไปไปดูดูพอให้หอะไรพรอมมันกำลังตั้งไข่กำลังตั้งต้นยังหาผู้รับเหมอยังไม่ได้ ถามว่าไปพูดรับหมแล้วก็เออเอากจบไปแต่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดกันเรื่องเกี่ยวกับบริษัทคุมงานท่านุโมศธูมลานหลวงพ่อสุดใจท่านก็บอกว่าท่านคงจะจ่ายเองกับคณะสิทธิ์มั้งหลวงพอ่อเออเอาหมอผายไม่เป็นไรถ้าว่าจะไปให้แบ่งเบาจุดไหนก็อบอกมาถ้าท่านจะแบกทั้งหมดได้เราก็ไม่ว่าอะไรให้ท่านแบกต่อไปฮเราก็ยืนอยู่ข้างนอกให้ ท่านทำงานต่อไปโป้งเป็นวัดของท่านนะถ้าว่าจุดไหนที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เข้าไปตั้งแต่เริ่มแรกดูดูดมาตุปตุเปะใช่ไหมอาตุปตุเปะเนีน่ยมันมันทําท่าจะไม่ทําท่าจะไม่ไปไม่มาพระเจดีเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยผักดันพอผักดันกันลุกยืนขึ้นมาได้เดินต่อแตะต่อแตะ แ, แล้วกเออล้วก็ดูไป ถาว่าต่อไปมันคงจะใหญ่ขึ้นคงจะวิ่งได้เพรพอวิ่งได้แล้วก็หมดภาระหมดภาระของเราที่จะเข้าไปพยุงแล้วเพราะมันวิ่งท่านวิ่งได้แล้วนะอันนี้เราก็คอยดูอันนี้เป็นเป็น เ, นเราเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู้บัญชาการเป็นผู้ทำกําหนดให้ท่านทำเพียงแต่ว่าสนับสนุนให้มันเกิดขึ้น ให้มันดีให้มันเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมในวัดปา่าพันตาด ส, สมควรยิ่ยงที่จะต้องมีเจดีพิ JD, พิธภัณฑ์เกิดขึ้นที่ที่นั่นในฐานะเราเป็นสิทธิญนุสิทธิผู้หนึ่งมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิที่ให้การสนับสนุนถ้าว่าเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ไม่เข้าไปนะหเห็นไหมครูบาอาจารย์หลายๆองค์ เราก็ดูเราไม่ใช่ไปให้ความเคารพเคารพแต่ว่าผู้อื่นลูกศิษย์ของท่านมากมายเราจะเข้าไปก้าวไายเราจะไปเข้าไปดําเนินการไม่ได้แต่ที่ลงตานคือหน้าที่หน้าที่พอ่อเนี่ยน้องๆทั้งหลายไม่แพ้เราเราไม่ไม่แพ้ไม่แพ้น้องๆเพราะฉะนั้นเราคือหน้าที่เพราะฉะนั้นเราจรึงได้เข้าไปยืนจุดจุดนี้ แต่พอยืนแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็งานไปได้แล้วกันนะเราก็อนุมณ์โธทนาสาธุเดินไปเรื่อยๆนะ <c oughs> น, นี้แหละสัายา ญ, ญาโยมลูกหลานพนุพลหลวงพ่อทำอะไรก็ตามนะไม่ได้หนักใจพวกเราท่านทั้งหลายค็เหมือนกันนะั่นแหะมาอยู่กับหลวงพ่อนะเรื่องการเรื่องงานภายนอกอย่าไปห น, นักใจให้หนักใจว่า ก, กิเลสภายในใจของข้าพเจ้าเนะี่ยหลุดแล้อยัง หมดแล้วยังตัดขาดแล้วยังราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงตัดตามแนวแถวอริยพุทธเมื่อตัดกิเลสแล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการจุดนั้นเราตัดขาดหรือยังอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดจุดนี้ให้มากจะจุดอื่นอย่าไปคิดมากนะลูกหลานนะ จึงจะสร้างพระเจดีย์จะสร้างอะไรก็ตามอันนั้นคือท้าวอนวัตถุหรืออามิชบูชาการปฏบิบัติบูชาเนี่ยเลิศประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามองมองตนเองอย่าไปทำเลิะเทอะจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมผิดธรรมวินัยอีกต่างหากศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ของเล่นๆไม่ใช่ของเรา เราเขามานแล้วมาเล่นอย่างนั้นใช่ไหม เ, เขาไปทำการทำงานไปเล่นอยู่ตรงนั้นน่อมันไม่ใช่สถานที่เล่นนี้ก็เหมือนกันพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่หลอกที่เล่นทำให้คนอื่นเขาเสื่อมศรัทธาที่เข้ามาเห็นพระไม่ดี เ, เขาเบื่อพระเพราะนั้นเราถ้าว่าเป็นอย่างเราเรามาเห็นอย่างนี้ อย่างที่การกระทำของเราเนะี่ยเราไปเห็นพระองค์อื่นเรามีความรู้สึกอย่างไรเราดีใจไหมเห็นด้วยไหมเนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้พวกเรามองมองดูแล้วก็มองลึกลงไปอกีกข้าพเจ้ามีคุณธรรมเพียงพอหรือยังที่จะทำให้ตัวเองอุ่นใจและให้ผู้อื่นที่เห็นแล้วก็อุ่นใจกับเรา เป็นที่กล่าวว่าเชิดชูบูชาพอหรือยังเพียงพอหรือยัง่ะถ้าไม่เพียงพอเราต้องทํานะอต้องประกอบคุณงามความดีให้เต็มที่นะพระลูกพระหลานพวกเราหนะ้าต่อ น, นี้ไปรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเราพรแล้วทีนะ